1>, 1. จีวรวัต 9. ทุติยะอุปปัชะตะสิกขาบทว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรข้อที่สองเรื่องพระอุปนันทสักยบุตร532ยสมสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งกล่าวกับบุรุษอีกคนหนึ่งว่ากระผมจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรแม้บุรุษคนนั้นก็กล่าวว่ากระผมก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งได้ยินการสนทนาของบุรุษเหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านพระอุปนันทะถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านอุปนันทะท่านมีบุญมาก บุรุษคนหนึ่งในที่น้นกล่าวกับบุรุษอีกคนหนึ่งว่าจะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรแม้บุรุษคนนั้นก็กล่าวว่ากระผมก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าอุปนันทะให้ครองจีวรท่านพระอุปนันทะกล่าวว่าใช่ครับบุรุษทั้งสองเป็นอุปถาของกระผมเองต่อมาท่านพระอุปนัน t h สกยบุตรไปหาบุรุษทั้งสองถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วจึงกล่าวว่า ได้ทราบว่าโยมทั้งสองต้องการเจนิมน์อัตมาให้ครองจีวรหลายผืนจริงหรือบุรุษทั้งสองตอบว่าจริงครับท่านพวกกระผมมีความคิดจะนิมน์พระคุณเจ้าอุปนันท h ให้ครองจีวรท่านพระอุปนัน tha กล่าวว่าถ้าท่านทั้งสองต้องการเจนิมน์อัตมาให้ครองจีวรก็จงให้ครองจีวรชนิดนี้จีวรที่นัตมาไม่ใช้ แม่นิมนต์ตมาให้ครองก็จะมีประโยชน์อะไรบุรุษทั้งสองตำหนิประนามพลท น, นาว่าพระสมณะเชี่สยสัยสกยตบุตรมากมากไม่สันโดษจะนิมนต์ให้ครองจีวรก็ทําได้ยากฉไนพระคุณเจ้าอุปนันทะซึ่งพวกเราไม่ได้ปรวรณาไว้ก่อนจึงมากําหนดชนิดจีวรเล่าพวกภิกษุได้ยินภิกษุทั้งสองตำหนิประนามพลท น, นาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิ พระนามโพลทนาว่าชะไท่านพระอุปนันทกากยบุตรซึ่งเขาไม่ได้ปราวณาไว้ก่อนจึงเข้าไปหาพวกเครือหัดกำหนดจีวรเล่าพรันภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านอุปนันท飒กยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ